พระนหันมายิ้มให้มิกล่าวเช่นไรนอกจากเอื้อมมือมาตบแขนชยันเบาๆเชิงปลอบใจแล้วตรวจรอยในระแวกใกล้เคียงไปอย่างใจเย็นแม้จะมองไม่เห็นภาพในขณะเกิดเหตุแต่หลักฐานร่องรอยที่เห็นอยู่ในขณะนี้เขาก็สามารถบอกเหตุการณ์ได้ในทันทีแม่กระถิ่งถูกยิงที่ตะโพกเหนือโคนขาด้านซ้ายทะลุเลยออกช่องท้องตอนล่างแรงพระทะอันหนักหน่วงรุนแรงของกระสุน ข, ขนาด 0. .45 หแมกนัม ทำให้มันช็อกและถล่มหัวปลงมาดินจนพุ่มไม้แหลกเป็นแปลงราวกับใครมาถางไว้แต่ก็เป็นอยู่เพียงแค่เสี้ยวของวินาทีนั้นมันก็ถลันโลดขึ้นได้เพราะกระสุนไม่ถูกที่สําคัญจากนั้นก็แล่นเตลิดป่าราบเป็นทางไปทางปลายห้วยด้านที่ทอดมาออกบริเวณรุ่มแอ่งน้ําตื้นกระเซ็นเลือดมีประปรายให้เห็นเล็กน้อยอยู่ตามใบไม้ในพื้นที่มันทยานไปแต่ที่ป่าห้วยปรากฏทรารลังเป็นกองโตอยู่นั่น แสดงว่าเลือดเริ่มต้นออกมาภายในห้าวินาทีหลังจากที่มันถูกปืนมันห่อไปด้วยฤิ์ของความเจ็บปวดและตื่นตระหนกขาหน้าทาหน้าที่ตะกุยขาหลังใช้ยันส่งตัวแต่ปัดเป๋บางขณะก็ร่าขโยเป็นทางลอยเลือดเรียบเป็นทางให้เห็นชัดยิ่งขึ้นเมื่อเข้าลำห้วยไปแล้วแต่หลิงด้านซ้ายของลาห้วยที่มันผ่านไปเป็นรอยถูกลาตัวครูด ดินแดงปนกรวดเป็นรอยถลม่มอันเกิดจากเสียการทรงตัววิ่งเบียดระไปบางแห่งก็มีรอยขาวขวีดกระจุยกระจายเราจะเริ่มต้นตามมันตั้งแต่ปากลำห้วยนี่แหละครับพรานใหญ่หันมาบอกแผ่วเบาบุ้ยปากไปที่กองเลือดและช่องลำห้วยขนาดใหญ่ที่เลื้อยไปในระหว่างสองข้างป่าทึบมีลักษณะไม่ผิดอะไรกับอุโมงค์ซึ่งเป็นทางที่กระทิงลาบากตัวนั้นโลดแล่นไป พักสู่บุหรีให้สบายใจเสียอีกสักคู่ก็ได้ผมคิดว่ามันคงไปไม่ได้ไกลนักสังเกตจากรอยเลือดที่ออกมาแล้วก็รอยตีนของมันอาจได้พบตัวก่อนตะวันตกตีนวันนี้ก็ได้ช่ ย, ยันอัดควัมจากก้นบุรีหนักหน่วงเป็นครั้งสุดท้ายแล้วทิ้งลงขยี้ดับด้วยรองเท้าคอมแบตคุณพอจะบอกได้ไหมว่าแผลที่ถูกยิงอยู่ในตำแนหน่งไหนตะพกซ้ายแน่นอนครับ สังเกต ด, ดูจากรอยตีนซ้ายที่เหยียบพื้นไม่เต็มที่ของมันบางขณะก็ห้อยลากไปแต่ขาขวายังใช้การได้ยิงอยู่ผมคิดว่ามุมยิงคงอยู่ในมุมเฉียง30องศากับําตัวด้านข้างทะลุตะโพกซ้ายแล้วออกช่องทาง้าบริเวณต่าไม่ได้เจาะทะลุไปทางขาขวาด้วยถ้ามุมยิงเป็นมุมฉาก90องศากับราตัวขาหลังทั้งสองขาคงหักหมด แต่นี่พิการพิขาเดียวในขณะเดียวกันถ้ามุมยิงเฉียงสัก45องศาขึ้นไปก็จะร้อยพวงผ่านตลอดไปในแนวช่องท้องและอกซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่มีทางจะเพ่นไปได้นอกจากกองอยู่กับที่แล้วชะกันสักขนาดไหนพูดยากเหลือเกินครับมันเจ็บมากก็จริงแต่อาจอยู่ได้หลายวันทีเดียวคเนจกรอยบาดแผลตามที่ว่านี่ แต่ไปไม่ได้เร็วนักและกำลังต้องถอยลงมากตรงข้ามกับความอาฆาตบ้าเลือดของมันที่จะทวีขึ้นเป็นสองเท่าตัวแล้วเขาก็หัวเราะห้าวห้าอยู่ในลำคอจ้องหน้าชายยันกล่าวต่อมาว่าสัตว์ร้ายที่ได้รับบาดเจ็บในลักษณะนี้แหละครับที่พรานทุกคนรู้ตัวได้ล่วงหน้าทีเดียวว่าชีวิตของเขาแขวนอยู่ที่ปลายจมูกของมฤตยูถ้าหากว่าออกตามมันคุณชยยันทาความลาบากไว้ให้กับมัน ได้มาตรฐานของการเสี่ยงที่น่าตื่นเต้นไม่ใช่น้อยทีเดียวถ้าสาหัสชะกันมากมันก็ไม่มีแรงที่จะแก้ลําโตตอบเรานอกจากนอนคอยให้ไปซ้ำอย่างสบายถ้าเจ็บน้อยมันก็หนีไปไกลลิปและไม่คิดที่จะทำให้เราตามทันหรือเข้ามาแก้แค้นแต่เจ็บขนาดพอดีเช่นนี้ที่ทำให้มันจำต้องรอโอกาสแก้ลํานี่แหละครับมีความหมายอยู่สองในเท่านั้นไม่มันก็เรา ชายันยิ้มเครียดเครียดยักษไกลผมสรารภาพว่าไม่เคยตามกระทิงลําบากมาก่อนเลยแต่ก็พร้อมเสมอตาของพรานใหญ่ที่มองจับมาเป็นประกายด้วยความพอใจยิ้มน้อยๆคุณชายันมีน้ำใจเป็นลูกผู้ชายแท้จริงครับฝีมือก็เข้าขั้นที่จะเสียงในครั้งนี้โดยไม่ทําให้ผมต้องหนักใจอะไรนะักขอบคุณมากที่ให้เกียรติ แต่ผมรู้ตัวเองดีว่าเป็นผู้อ่อนหัดแค่ไหนในเรื่องเช่นนี้ที่ขอร้องให้คุณนำมานี่ไม่ใช่เป็นการแสดงความกล้าหาญหรืออวดเก่งอะไรหรอกเพียงแต่สำนึกในความรับผิดชอบตามมารยาของนักล่าสัตว์เท่านั้นผมยิงมันเจ็บผมก็ต้องตามเอาตัวมันให้ได้ผมเข้าใจดีครับมีอะไรจะเตือนหรือแนะนำผมก่อนก็รีบบอกเสียเพราะเราคงไม่มีเวลาได้พูดอะไรกันมากนักในระหว่างกระชั้นรอย ก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับนอกจากสติเท่านั้นอีกประการหนึ่งโปรดจําไว้ด้วยว่าในวินาทีฉุกเฉินไม่ต้องมามัวห่วงพวงถึงกันและกันอยู่พยายามหาทางปลอดภัยที่สุดให้แก่ตัวเองก่อนการหลบฉากหรือหาที่กำบังเป็นสิ่งสําคัญที่สุดถ้าประจันกันแบบสวนหน้าเพ่นเข้าหาที่หลบก่อนไม่ต้องห่วงผมตกลงเอาละผมพร้อมแล้ว โดยหนทางตามลำห้วยแหง้งอันมีสองฟากตลิงสูงชันนั้นทั้งสองแฝงกายเดินไปอย่างเงียบเชียบระพินอ่านรอยของกระทิงตัวนั้นไปทุกระยะบางครั้งเขาก้าวไปอย่างรวดเร็วรุ่หน้าบางครั้งก็ผ่อนฝีเท้าลงพิจารณารอยเท้าและรอยเลือดที่ ท, ท, ทีและห่างเหล่านั้นอย่างพิเคราะห์ไม่นานนักก็นําตายตะลิงขึ้นทางด่านอันรกและเกร ะ, ะกะไปด้วยเท้าวันบาดแผลที่ต้องเจ็บไปด้วยอํานาจกระสุนปืนของชัยยัน ทำให้ทิศทางการไปของกระทิงตัวนั้นทิ้งรอยไว้ให้ชัดเจนแม้แผ่นดินจะแห้งผากและแข็งในขณะที่ตายไปตามไหล่เขารอยราขาและหย่อมเลือดก็ยังปรากฏให้ติดตามได้ไม่ยากนักซอกซอนไปตามดงทึบชนิดที่แทบจะงนขขึ้นมองไม่เห็นแสงตะวันกระทิงตัวนั้นหยุดกินน้ำที่แอ่งเล็กๆแห่งหนึ่งและมีรอยนอนพักอยู่ที่นั่นเลือดกองอยู่เป็นริม มันคงนอนพักอยู่ที่นั่นนานพอสมควรทีเดียวจากนั้นก็ลุกขึ้นเดินต่อวกวนมีทีท่าว่าจะย้อนกลับมาทางเก่าแต่แล้วก็ตายซ่อเขาชันตอนหนึ่งมีรอยทะไหลลื่นป่าล่าเป็นทางลงไปในระหว่างซ่อขบบ่ายหน้าออกสู่ป่าโปรง่งตีนขาต่ำลงไปเป็นลำดับและพินสะกดตามไปอย่างใจเย็นไม่ไดบร้อนอะไรนักตลอดเวลาทั้งสองแทบจะไม่ได้พูดคาใดกันเลยนอกจากอาการมองของชัยยัน ซึ่งมักจะเป็นคำถามอยู่เสมอซึ่งพรานใหญ่ชี้ร่องรอยให้เห็นแทนคำตอบหรือคำอธิบายใดๆทั้งสิ้นครั้งหนึ่งระหว่างที่กระชั้นรอยไปตามด่านช้างด้านหนึ่งเป็นป่าสูงทึบอีกด้านหนึ่งเป็นตีนเขาสลับซับซ้อนไปด้วยก้อนหินใหญ่วัวแดงฝูงหนึ่งวิ่งผ่านหน้าควบตัดทางไปฝูงใหญ่ประมาณสิบกว่าตัวชยยันขยับปืนโดยสัญชตาตญาณแต่แล้วก็ลดปืนลงไม่เห็นว่ามันเป็นอะไร ทั้งสองได้แต่มองดูตากันเงียบเงียบแล้วลุดหน้าต่อไปรอยนั้นนำลงสุนเนินราดตามลงเป็นลําดับเป็นป่าโปร่งสลับไปกับละเมาะตะวันเริ่มทอดเงาไปทางเบื้องหลังแสดงว่าทิศทางเบื้องหน้าเป็นด้านตะวันออกเวลาก็ร่วงเลยไปทุกขณะจากโดงหนึ่งไปสู่โดงหนึ่งหุบหนึ่งไปสู่อีกหุบหนึ่งรอยเรือเริ่มจะขาดหายไปเหลือไว้แต่กีบเท้าซึ่งเลือนรางเต็มที ครั้นแล้วจากป่าเทาวันที่สลับไปด้วยพงเสือหมอบอันขึ้นอยู่สูงท่วมหัวนั้นทิศทางไปของมันก็ล่วงเข้าสู่ดงหวายและป่าร่วกที่พื้นดินแห้งเต็มไปด้วยฝุ่นสุมทุ่มพุ่มพุกสูงต่ำดาดาดอยู่ทั่วไปเป็นฉากอำพรางตาธรรมชาติมองเห็นรอบตัวได้ในระยะไม่เกิน20เมตรณนะที่นี้เองที่รปินสกิดเตือนให้ชายยันเตรียมพร้อมระวังตัว ขณะนั้นมันเป็นเวลาบ่ายสี่โมงเย็นเขาชี้ให้ดูรอยรากขาหลังที่ละไปกับพื้นและหยดเลือสดสดๆที่เริ่มจะเห็นได้ชัดขึ้นอีกครั้งแสดงว่ากระทิ่งตัวนั้นเพิ่งจะผ่านไปเมื่อไม่นานนักนี่เองชัยยันเหนื่อยจนกระทั่งมือที่ถือปืนทั้งสองข้างสัน่นแต่เมื่อเห็นรอยกระชันชิดเข้ามาเช่นนั้นอารมณ์ตื่นเต้นและเตรียมพร้อมต่อวิกฤตการณ์ที่รอยอยู่เบื้องหน้าในอนาคตอันใกล้ ทำให้เขารืมความอ่อนเพรียแรงไปในทันทีนั้นกาดสายตาตามรอยเลือดไร้ไปเท่าที่สายตาจะตามไปได้เบื้องหน้าแล้วกวาดค้นหาอย่างระมัดระวังไปรอบด้านในมือกระชับปืนแน่นพรานใหญ่เดินเกร่อยู่ไปมาเวียนรอบปากทางเขาป่ารวกที่มีรอยกระทิ่งผ่านหายเข้าไปนั้นอยู่คู่ใหญ่ด้วยอาการไตรตองเหมือนจะอ่านอะไรสักอย่างหนึ่งในที่สุดก็โบกมือบุยใบใชา ย, ยันเดินตามเขาไป เลี้ยงอ้อมเลาะไปทางด้านขวาอันประชิดอยู่กับทุ่งแฝกสลับพงอ้อแคบๆคบ่คอยๆเดินแหวกเลาะเข้าไปอย่างระมัดระวังแต่แล้วทันทีนั่นเองพลานใหญ่ก็หยุดชะงักนิ่งอยู่กับที่ตาจ้องจับไปยังยอดแฝกที่กระดิกไกวตามลมเบาๆชายยนานพลอยหยุดชะงักลงด้วยอะไรหรืออดีตนายพันตีทหารปืนใหญ่กระซิบถามเบาที่สุดลม เปลี่ยนที่เสียแล้วพัดจากเราไปทางมันระพินกะซิบตอบใช้ปลายนิ้วแตะน้ำลายแล้วยกชูขึ้นใบหน้าเกรียมเป็นมันนั้นเต็มไปด้วยคาวอึดอัดหนักใจบัดนั้นเองก่อนที่ชัยยันจะเอ่ยเช่นไรต่อไปก็มีเสียงลมหายใจหนักหนักเสียงสะบัดตัวและเสียงกิ่งไม้ถูกร้ผ่านดังออกมาจากป่าลวกเบื้องหน้าไม่ห่างออกไปนักมันดังไม่มากแต่ก็พอจะสดับได้ถนัดในความเงียบเช่นนี้ ลักษณะการเคลื่อนที่ของนางกระทิงลำบากเท่าที่สะดับฟังจากเสียงการเคลื่อนไหวเป็นไปในอาการกระสากกลิ่นหรือฉเฉลียวคิดระแวงถึงภัยแล้วออกเดินจากที่ซึ่งมันหยุดยืนหรือหยุดนอนอยู่ในขณะนี้บ่ายหน้าบิยังทิศทางด้านตรงข้ามอันเป็นป่ารั่วที่ทึบแน่นขึ้นทุกขณะมันไม่ได้ไปในอาการวิ่งเตลดิดอันแสดงการตนกตกใจอย่างจู่โจม และทางที่มันบ่ายหน้าเป็นนั้นก็เป็นทางใต้ลมซึ่งในขณะนี้กระแสลมป่าที่สงบนิ่งมาตลอดระยะเวลาของการแกะรอยเริ่มจะโชยอ่อนๆและพินโบกมือเป็นสัญญาณให้ชายยานเดินตามเขาย้อนกลับออกมาจากดงแฝกและเลี่ยงไปยังปากทางที่เดิมกว่าสายตาเงี่ยหูจับรหัสด้วยสัญชาตญาณพงพรยอีกครั้งในภาวะเช่นนี้ ชัยยันรู้ตัวดีว่าเขาไม่อยู่ในฐานะจะทำอะไรได้ทั้งสิ้นนอกจากปืนที่พร้อมอยู่ในมือคอยสังเกตจับดูอาการของพรานใหญ่และพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งประการเดียวเท่านั้นจิตใจแม้จะกล้าหารมั่นคงสักขนาดไหนบัดนี้ก็ไม่ไวายเต้นระทึกการตามรอยตลอดระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าชั่วโมงเต็มกาลังจะมาถึงวาระสุดสิ้นแห่งการตามเอาภายในไม่กี่นาทีข้างหน้านี้แล้ว ความรู้สึกเตือนชายยันเช่นนั้นเพราะเป้าหมายแห่งการติดตามอยู่ห่างออกไปดงร่วกหนาทึบเบื้องหน้าคเนาจากเสียงที่ได้ยินไม่เกินหนึ่งรหลานี่เองกระทิงลำบากตัวนั้นไม่สามารถจะไปได้ไกลและเร็วจริงตามที่พรานใหญ่พูดไว้แม้ว่ามันจะเปะปะหนีร่วงหน้ามาตั้งแต่เมื่อหัวข้ามวานนี้นับตั้งแต่ถูกยิงพรานใหญ่จับทางลมอย่างถี่ถ้วนระมัดระวังที่สุด ทุกฝีก้าวย่างของเขาไม่ว่าจะผ่านไปตามพงรกหรือใบไม้แห้งไม่มีเสียงเลยพยายามอ้อมไปทางด้านซ้ายเพื่ออยู่ใต้ทางลมไว้ย่องเงียบกริบเข้าไปทางป่านด่านเล็กอันเต็มไปด้วยกิ่งไม้แห้งและกิก่กระกับบางขณะก็ซุดตัวลงนั่งฟังเสียงบางขณะก็คลานลอดไปในระหว่างพุ่มรกอันเต็มไปด้วยน้าเสียงของกระทิงตัวนั้นขาดขา ด, ขาดหายหายคล้ายกับว่าบางทีมันก็ออกเดิน บางทีก็หยุดสะดับตับฟังเสียงเช่นกันมีอยู่ครั้งหนึ่งมีเสียงกรีบเท้าคู่กขยโยกไปกับพื้นแววมาได้ยินถนัดแต่ก็ชั่วอึดใจเดียวเท่านั้นก็เงียบหายไปอีกมันเดินเดินหยุดหยุดยังไงพี่กนครับค้ายจากระสากลิ่นอะไรสักอย่างแต่ตัวมันเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเขากะซิบข้างหูชา ย, ยัน ผมคิดว่าถ้ามันได้กลิ่นเราขณะที่ลมปลวนตอนที่บุกไปทางดงแฝกเมื่อตะกี้มันน่าจะเปิดอ้าวป่าลาบไปแล้วหรือมิฉะนั้นถ้ารอที่จะไปจันหน้ามันก็ควรจะซุ่มเงียบที่สุดชัยยันแสดงความเห็นก็น่าคิดอย่างคุณชัยยันว่าผมกำลังนึกอย่างนั้นเหมือนกันเราจะอ่านมันไปในทํานองไหนนี่อดีตในพรานใหญ่ลาพึง พังกว่าตามองไปยังภูมิประเทศอันเป็นดงรวกและหนามทึบแน่นรอบด้านไม่สามารถจะมองเห็นห่างตัวออกไปได้ไกลเกินกว่า19ยิ่งลึกเข้ามาก็ยิ่งทึบเข้าทุกขณะภูมิประเทศที่ยากแก่ ก, การกลับตัวหรือป้องกันได้ทานเช่นนี้แหละที่เขาย่อมรู้ดีว่าสัตว์ร้ายเช่นกระทิงปิดชีวิตพรานป่าหรือนักล่าสัตว์มาแล้วเช่นไรบ้างเพราะการประจันหน้ากันอย่างจู่โจมเผาขนในลักษณะที่ฝ่ายถูกตามล่าสงบซุ่มรอคอย ให้ฝ่ายล่าถล่มตัวเข้ามาแล้วก็กลายเป็นถูกกล้าไปเสียเองขุยของเถาวันแห้งบางประเภทและกิ่งใบเปลือกลวกที่คืบขานซอกแซงผ่านกันเข้าไปทำให้คันยิบไปหมดทั้งตัวอากาศอบและอุ่อ้าวทั้งภายนอกและในความรู้สึกที่เขมงเกลียวเครียดแต่สำหรับความรู้สึกภายในของพรานใหญ่ยามนี้ชายยันอ่านอะไรไม่ออกเห็นสงบเยือกเย็นอยู่เหมือนเดิม ดวงตาคมกริบเฉียบไวเท่านั้นที่เห็นเปิดกว้างแทบไม่กระพริบและมองสูงตามซ้ายขวารอบตัวอยู่ตลอดเวลาไม่หยุดนิ่งกับที่อุสาหาวิทยาและความอดทนอย่างยิ่งยวดของเขาในยามนี้เท่าที่ชายานเห็นก็คือพยายามจะอ้อมสกัดเข้าไปใต้ทางลมให้ได้และระมัดระวังในเรื่องนี้อย่างขีดสุดไม่ว่าจะต้องคลานหรือคืบผ่านอุปสรรคกีดขวางเข้าไปด้วยความยากเย็นเพียงไร มันเป็นนาทีแห่งความทารุณทารามานและตื่นระทึกเมื่อตกอยู่ในลุมนรกในความรู้สึกของชายยันผู้กัดฟันคืบตามไปทุกระยะเสียงการเคลื่อนไหวของกระทิงตัวนั้นคงขาดขาดหายหายอยู่ในการเดิมมันเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาก็จริงแต่ยังไม่ออกไปพ้นจากดงรวกมรุดยูแห่งนี้ครั้งหนึ่งเสียงหายใจหนักๆและสะบัดแวงเขาได้ยินถนัดดังมาจากพงลก ชนิดไม่สามารถจะมองอะไรเห็นด้านซ้ายมือแสดงว่าพรานใหญ่นำออกคืบสกัดอ้อมมาดักหน้าของมันไว้ทางด้านใต้ลมพื้นที่อันเป็นรอนสูงต่ำเหมือนลูกคลื่นอุดมไปด้วยใบไม้แห้งและกิ่งหนามรอนแล้วรอนเล่าที่ระพินเลยเอาอกแนบไปเหมือนอาการของงูบัดนั้นเองเขาก็มาชะงักนิ่งอยู่ที่ริมเนินปลวกใหญ่รูปหนึ่งตาวาวจับนิ่งลงไปที่พื้นเบื้องหน้าขมวดคิ้ว ชายยันกระเสือกกายก็ไปเคียงก็ลืมตาโพร่หันมามองหน้าพรานใหญ่บนผื้นซึ่งหนาไปด้วยฝุ่นและดินร่วนซุยรอยเสื อ, อรายพาดก่อนปรากฏอยู่ที่นั่นในลักษณะหมอบแล้วก็มีรอยลุกขึ้นเดินย่องอ้อมไปทางโคนต้นไม้ใหญ่มันเป็นรอยใหม่สดๆร้อนๆไม่กี่อึดใจนี่เองระพินค่อยๆลุกขึ้นในบาดนั้นตรวจรอยตามไปด้า น, านที่มันเลียบเลาะไปส่วนชายยันก็เหมือนจะมีสังหรณ์อะไรเกิดขึ้นอีกอย่าง แยกคานไปทางด้านตรงข้ามแล้วระหยุดนิ่งคุกข่าวอยู่ที่พุ่มเล็บเหยี่ยวพอระพินหันมามองก็กระดิกนิ้วเรียกพานใหญ่เคลื่อนตรงเข้ามาโดยเร็วจึงพบรอยเสืออีกตัวหนึ่งย่ำวนเวียนอยู่บริเวณนั้นมีรอยย่องหมอบและเพนข้ามไม้รมเลาะละัดคานลอดไปในระหว่างโพรงโวแคบเตี้ยติดพื้นดินของผงรว่วเป็นรอยใหม่พอกันกับรอยแรกและจะต้องเป็นคนละตัวแน่เพราะรอยตีนผิดกันเล็กน้อย เสือสองตัวกำลังจะล้อมวงเล่นงานกระทิงตัวนี้ชายยันคลางแหบๆในรำคอขณะที่จ้องหน้าเขาไม่ใช่สองหรอกครับสามหรืออาจมากกว่านั้นก็ได้เมื่อกี้นี้ที่ผงสแก่ด้านโน้นผมก็พบเข้าอีกรอยหนึ่งเป็นคนละตัวกับที่เราพบจากรอยแรกบางขณะมันย่องไปด้วยกันบางขณะมันก็แยกทางกันมันเกิดซ้อนกันขึ้นเสียแล้วระหว่างเสือฝูงนี้กับเราสองคนที่ตามมาทีหลัง ผมคิดว่าตอนที่เราบุกอ้อมไปทางป่าแฝกเมื่อครู่ใหญ่นี้และได้ยินเสียงกระทิงไหวตัวต้นเหตุคงมาจากมันและแค่รัคายการย่องตามของเสือมากกว่าที่จะได้กลิ่นของเราขณะนี้พวกมันอยู่ใกล้ๆเรานี่เองทั้งกระทิงลําบากและเสือทั้งฝูงทั้งสามฝ่ายอยู่ที่ว่าใครจะเห็นใครก่อนหรือใครจะลงมือก่อนเท่านั้นเราถูกแทรกแซงเสียแล้วจากไอ้เวรร้ายที่ไม่ได้ร้ายน้อยไปกว่ากระทิงลําบากเป้าหมายของเราตัวนั้น มันตามกระทิงตัวนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่นี่เชื่อว่าคงจะเริ่มต้นที่ป่าร่วงนี่เองอาจเป็นเพราะเพิ่งพบรอยเลือดตามปกติแล้วเสือจะไม่กล้ายุ่งกับกระทิงใหญ่เว้นไว้แต่เมื่อมันรู้ว่ากระทิงตัวนั้นกำลังเจ็บใกล้จะตายว่าแต่ไอเสือมันเห็นหรือได้กลิ่นเราหรือเปล่ามันคงยังไม่รู้ตัวเราอยู่ใต้ลมของทั้งสองฝ่ายในขณะ น, นี้เสือไม่รู้จักทิศทางลมเมื่อมันจะย่องเข้าเล่นงานเหยือ่อ อย่างฉลาดและเก่งที่สุดก็เพียงแค่ย่องเงียบอัมพรางตาเข้ามาเท่านั้นไม่รู้จักว่าจะเข้าทางด้านใต้รมเพราะฉะนั้นที่กระทิงมีการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ในทุกครั้งที่เราได้ยินคงจะเนื่องมาจากเสือตัวใดตัวหนึ่งอยู่เหนือรมโชยสาบไปให้มันได้กลิ่นมันจะต้องเจ็บมากและอ่อนแรงเต็มที่ทําไมงานป่านนี้ก็เตลิดป่าล่าไปแล้วชยยันกัดริมฝีปากแน่นป้ายแขนเสื้อเช็ดเหงือ่ออันอาบโสมใบหน้า เราจะจัดการยังไงกระทิงเป็นเป้าหมายแรกเสือในอันดับต่อไปถ้ามีโอกาสเสืออาจหนีเราได้ถ้ามันเห็นท่าไม่ดีแต่กระทิงตัวนี้จะสู้และพุ่งเข้าใส่ทุกอย่างที่มันเห็นขาดเสียงของพรานใหญ่พริบตานั่นเองสิ่งที่คาดกเนวไว้ด้วยหัวใจอันระทึกก็พลันบกกดขึ้นด้วยเสียงแผดคำรามที่ก้องสนั่นไปทั้งป่าท่ามกลางความเงียบขนาดได้ยินเสียงหัวใจเต้นนั้น เสียงที่ทำลายความเงียบขึ้นเป็นอันดับแรกเป็นเสียงห้อของเสือตามติดมาด้วยเสียงคำรามอย่างตนกและคนเครี้ยกล่ดของกะทิงจากนั้นก็เป็นเสียงที่ปรับปรนระคนกันฟังไม่ได้ศัพท์ป่ารวกเบื้องหน้ามิห่างออกไปนักหักถล่มโครมครามและมีเสียงย่ำแผ่นดินดังสนัน่นอันเกิดจากการเพนโผ ล, ล่กรุกคลียอดไม้ที่สูงขึ้นไปเห็นโยกไหวสั่นสะเทือนไปมาอย่างน่ากลัวไก่ฟ้าและกะทาดงซึ่งแต่แรกมองไม่เห็นตัว บัตรนี้พากันบินปลวขึ้นจากพงลกแต่กระเจิงออกไปพร้อมกับส่งเสียงร้องรัน่นระพินพุ่งปราดออกจากที่อ้อมจอมปลวกและโคนไม้ใหญ่มุ่งตรงไปยังต้นเสียงนั้นทันทีและโดยไม่จําเป็นต้องเตือนอะไรทั้งสิน้นชายยานโปรดเซฟไรเฟิลแล่นตามหลังเขาไปติดๆทั้งสองไม่กังวลที่จะต้องระมัดระวังเสียงของการเคลื่อนไหวตนเองอย่างใดอีกแล้วลับมุมป่าหวายบรรจบกับด่านซ้ายใหญ่นั่นเอง ทั้งสองก็เห็นภาพอันเป็นที่มาของเสียงเป็นภาพที่แม้แต่ระพินพรานใหญ่เองก็ถึงแก่การจังงางทำอะไรไม่ถูกไปชั่วขณะหนึ่งเบื้องหน้าห่างออกไปเพียงไม่เกิน29เป็นลานโล่งเนื้อที่ประมาณ20ตารางวาภายใต้เงาร่มรื่นของคอยใหญ่ที่ขึ้นปกคลุมราวกับจะเป็นหลังคาเสือรายพาดก่อนรุ่นหนุ่มสองตัวกาลังส่งเสียงคู่คารามหลอกล่อนางกระทิงลาบากอยู่ ตัวหนึ่งพยายามก่อกวนโจมตีอยู่ด้านหน้าอีกตัวหนึ่งเผ่นเข้าใส่ทางด้านหลังพยายามจะขึ้นคอให้ได้นางกระทิงตัวนั้นสังเกตเห็นได้ชัดว่าขาหลังข้างหนึ่งพิการขยีกอยู่แต่ในบาดนี้เพ่นทยานหมุนคว้างพุ่งเข้าใส่เสืออย่างดุร้ายทรหดมันรวดเร็วฉับพันสิจนดูนัวไปหมดในระหว่างที่ฝ่ายหนึ่งพยายามจะได้ขยี้ด้วยเขาส่วนอีกฝ่ายหนึ่งหมายฝังเขี้ยวระเล็บตามแต่จะหาจังหวะได้ ฝุ่นและดินในบริเวณนั้นกระจายว่อนเป็นผงคลีตลบมัวผงหน้ำและกอรั่วที่เตี้ยหักยับเยินด้วยการต่อสู้ถึงเลือดถึงชีวิตติดพันชุดรมุนนั้นแระพินขยับปืนแต่แล้วก็เหมือนมีอะไรมายึดไว้ทำให้ต้องชะงักไปอีกครั้งภาพที่สะเทือนใจของเขายามนี้ก็คือความพิการของนางกระทิงตัวนั้นจากลักษณะของการเคลื่อนไหวตัวมองเห็นได้ชัดว่ามันถูกทรมานอยู่ด้วยพิษบาดแผล ที่ทำให้ขาซ้ายหักใช้การไม่ได้อยู่ก่อนแล้วเช่นไรแต่ถึงเช่นนั้นมันก็ต้องสู้จนสุดฤทธิ์สมศัก์กระทิงแวบหนึ่งของความนึกคิดที่ผ่านขึ้นสมองของเขาถ้าแม้ว่านางกระทิงตัวนี้สมบูรณ์ครบหมดทุกอย่างโดยไม่บาดเจ็บสาหัสมาก่อนการต่อสู้ของมันกับเจ้านายพาดก่อนที่กุ้มรุมอยู่ในขณะนี้ก็จะน่าดูขึ้นอีกไม่ใช่น้อยทีเดียวชัยยันผู้ยืนประทับปืนอยู่เคียงข้างเขา จะมีความรู้สึกเช่นไรในขณะนี้ไม่ทราบได้แต่ก็เห็นนิ่งอยู่ในท่านั้นเหมือนถูกสาบไปเช่นกันพลิบตานั้นเองเจ้าเสือตัวที่ล่ออยู่ทางด้านหลังก็เพ่นเข้าใส่อีกครั้งหมายก้านคอนางกระทิงซึ่งลุกประชิดติดพันไล่เจ้าเสือตัวหน้าที่วิ่งวนหลอกย่อล่ออยู่ก็แหวงตลกสะบัดเขาเลี้ยวกลับอย่างรวดเร็วจะเป็นการบังเอิญหรือจังหวะอันเหมาะเจาะที่มันคะเนไว้แล้วก็ตามทีเขาอันแหลมโค้งข้างหนึ่ง ตักเข้าที่สีข้างของพยักไร้ยอย่างถนัดถนีเสียงอักสนันร่างของเสือรอยคว้างขึ้นสูงราวกับถูกจับโยนพร้อมกับเสียงร้องแผดลด้วยความเจ็บปวดภาพหน้าดูที่ตามมาอีกในพริบตาก็คือกระทิงขยกปักหัวรงแล้วเพ่นเงยขึ้นอีกครั้งสุดช่วงตัวเสยรับร่างของเสือสที่ลอยหล่นลงมาก่อนที่จะตกถึงพื้นเจ้าเสือรายพาดก่อนผู้เสียท่าตัวนั้น เสียบร่างของมันเองลงในระหว่างเขาคู่ปรปับ ก, กระแดวดินพลาดกระทิงเวียงสะบัดร่างที่เสียบคาอยู่บนเขาสุดแรงเกิดเสือกระเด็นหลุดลงไปในพงน้ำมันไม่ยอมให้ตั้งตัวติดแม้ว่าศัตรูตัวแรกจะสิ้นฤทธิ์ไปแล้วคงพุ่งเข้าขยี้ติดพัานต่อไปอย่างบ้าเลือดเสือถูกขีดเสยจากพื้นกระเด็นไปครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างดุเดือดฉับไวซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่อีกตัวหนึ่งเผ่นขึ้นมาอยู่บนหลังของกระทิงได้ ทั้งเขี้ยวทั้งเล็บฝังลงไปบนต้นคอและในครั้งนี้ดูเหมือนจะไม่เปิดโอกาสให้กระทิงสลัดได้หลุดพ้นนอกจากแวง่งหมุนเพนโผล่ไปอยู่ไปมาพร้อมกับส่งเสียงร้องคำรามลั่นเสี้ยววินาทีนั่นเองรพินก็เล็งเขาบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเหตุไร right, เป้าหมายของเขาจึงเป็นเสือที่ขย้ำตัวโกอยู่บนหลังกระทิงแทนที่จะหมายยิงกระทิงตัวนั้นแล้วก็กระดิกไกรั่นกระสุนออกไปสถานดง พยักไร้ตัวที่เกาะติดอยู่บนหลังกระทิงกระเด็นหลุดไปในพริบตานั้นพร้อมกับเสียงระเบิดกึกกล้องของกระสุนลงไปหงายท้องอยู่กับพื้นขาทั้งสสั่นกระตุกพลาดเพราะกระสุนตัดกระดูกก้านคอพรานใหญ่กระชากลุกเลื่อนอย่างรวดเร็วยังไม่ทันที่จิปปอร ก, กระสุนจะถูกขอเกี่ยวให้กระเด็นดลุดออกมาจากรางเพลเพื่อส่งลูกใหม่ขึ้นลากล้องเขาก็ได้ยินเสียงชายยานร้องอุทานอะไรออกมาคำหนึ่งอย่างตกใจพอเหลียวแวบเห็นรายดําสลับเมือง เป็นเงาวูบผ่านแสงตะ ว, วันบ่ายกระโจนออกมาจากพุ่มไม้ถือปลิมทางตรงเข้าใส่ชา ย, ยันปะทะสวนรำก้องปืนที่ชา ย, ยันยังคงประทับบ่าค้างอยู่นั้นน้ำหนักตัวที่มันกระโจนเข้าใส่ทําให้ชา ย, ยันหงายหลังจ้ำเบ้าลงทั้งยืนร่างนั้นตกลงถึงพื้นดินห่างไปทางศีรษะเบื้องหลังของชา ย, ยันเพียงวาเดียวและบัดนี้มันกําลังแว่งตัวกลับพร้อมกับเสียงกระหึ่มโฮกก่อนที่สมองจะสั่งการ ลายฟินในมือของจอมพลานก็แผดระเบิดขึ้นอีกครั้งด้วยสัญชาตญาณระยะห่างเพียงห้าวาแค่นั้นเขาปล่อยกระสุนออกไปโดยไม่มีการเร็งเสือตัวที่สามเพ่นตัวลอยสูงขึ้นจากพื้นแล้วหล่นลงมาหมุนตะกุยตะกายฝุ่นฟุ้งอีกนัดหนึ่งของระพินที่ยิงข้ามศรีรษะของชายยานไปเพียงฝ่ามือเจาะเข้ากลางแสกหน้าพอดีมรุตตะยูเจ้าป่าฟุบหมอบอยู่ตรงนั้น ครั้นแล้วพร้อมๆกับการสลัดปลอกกระสุนนั่นเองชายันผู้ในขณะ น, นี้หันหน้าสวนทางกับเขาก็ร้องตะโกนสุดเสียงแทบไม่เป็นภาษาระวังข้างหลังหูของเขาอื้อไปเสียแล้วด้วยการพูวงอยู่กับเสือตัวที่กระโจนเข้าไปตะปบชายันพอแววเสียงตะโกนเตือนประสาทก็สำเนี๊ยกเสียงควบราวกับแผ่นดินจะถล่มทลายวูบเข้ามาทางเบื้องหลังดูราวกับว่าลมหายใจฟืดฟ้านหนักหน่วงนั้น เปรียบไม่ผิดอะไรกับลมหายใจของมัจจุราชซึ่งบตดนี้ไอของมันกระทบแผ่นหลังและศีรษะของเขาเพียงแค่คืบเดียวสิ่งที่รพินพอจะสำนึกได้ในวินาทีดับจิตนั่นก็คือเขาทิ้งตัวเองล้มไปทางด้านซ้ายโดยหมายฉากออกวงนอกให้พ้นบ่วงมรณะของปลายเขาทั้งคู่ร่างของเขายังไม่ทันจะถึงพื้นดินก็รู้สึกว่าถูกประทะอย่างแรงกระเด็นกลิ้งตามภูเขาย่อมย่อมลูกที่พุ่งตรงเข้ามานั้น ระหว่างที่ตัวกําลังเคว้งคว้างสายตาช่้แวบเห็นเขากํายําคู่หน้ากระทืบแผ่นดินผ่านไปแล้วกีบอันคมของขาขวาด้านหลังก็เหยียบลงมากระทบร่างกายส่วนหนึ่งของเขาบริเวณตอนบนที่ใดที่หนึ่งไม่มีความรู้สึกอะไรอีกแล้วยามนั้นระบบประสาททุกส่วนชาดิกไม่แน่ใจว่าร่างกายกับปิญญาณยังอยู่ร่วมกันหรือเปล่าเพราะภาพต่างๆที่เห็นดับวูบลง ราวกับเปลวไฟบนปลายเทียนที่ถูกกลมกันโชกเะพีนัยวันมารู้สึกตัวแจ่มชัดอีกครั้งใครคนหนึ่งกำลังประคองขย่าปลุกเรียกชื่อเขาอยู่ชายยันนั่นเองทันทีที่รู้สึกสีข้างด้านขวาชาไปหมดแต่แขนขาและร่างกายส่วนอื่นเป็นปกติครบถ้วนผมสลบไปหรือนี่เขาพูดออกมาเป็นประโยคแรกกวาดสายตาไปรอบๆแล้วจับนิ่งอยู่ที่ซาก ข, ของกระทิง ที่นอนตะแคงอยู่กลางด่านห่างออกไปราว29เลือดจากศรีรษะและซอกขาหน้าของมันขณะนี้ยังคงซึมอยู่ดินลินกองนอนอยู่กับพื้นคุณหน้ามืดไปชั่วขณะเท่านั้นชายยันพูดกระหืดกระหอบสีหน้าเต็มไปด้วยความปิติยินดีที่เห็นพรานใหญ่รู้สึกตัวอีกครั้งในลักษณะที่ไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสอะไรเกินไปนักผมนึกว่าผมดับจิตไปแล้ว โชคดีเดือเกินตอนที่มันพุ่งเข้าใส่คุณจากข้างหลังขณะที่คุณยิงเสือตัวที่สองคุณเอี้ยวหลบพ้นเขามันไปได้นิดเดียวเท่านั้นแต่ถูกไหลของมันประทะล้มกลิ้งลงไปอยู่ใต้ท้องมันขาหลังมันเหยียบครูสีข้างของคุณเสื้อขาดเนื้อเปิดแบะออกไปยังกับถูกใครฝานด้วยมีดถ้ามันเหยียบลรงกลางอกหรือเหยียบตรงๆลงบนตัวเราคงไม่ได้ร่วมชีวิตกันอีกแล้วแล้วพินก้มลงสำรวจดูตัวเองอีกครั้ง เขาเพิ่งจะพบบาดแผลของตนเองตามการชี้บอกของชายยันเดี๋ยวนี้เองสีข้างด้านขวาตรงบริเวณปีกของกล้ามเนื้อใต้แขนเสื้อขาดออกไปราวกับถูกใครกระชากด้วยของมีคมเนื้อชิ้นหนึ่งที่บริเวณนั้นเปิดแปะออกห้อยรุ่งริ่งเลือดไหลชุ่มโชกเมื่อเอามือแตะความเสียระบมเริ่มจะแทะความรู้สึกชาขึ้นมาบ้างเล็กน้อยและก่อนที่เขาจะปิีปากคาใดออกมาอีกชายยันก็บอกอย่างร้อนใจมาว่า จัดการเรื่องบาดแผลของคุณไปตามมีตำเกิดก่อนเถอะนั่งเฉยๆก่อนอย่าเพิ่งลุกผมจะเอาผ้าขาม้ามัดห้ามเลือดไว้ก่อนว่าแล้วอดีตในพานทหารปืนใหญ่ก็เอาผ้าของม้าออกมาประกบบากแผลให้เข้าไปสนิทอยู่กับรอยฉีกที่เดิมอย่างระมัดระวังแล้วใช้ผ้าของม้ามัดรอบหน้าอกของเขาไว้อย่างนาแน่น